เล่าเรื่องึงให้ฟังนะเป็นเรื่องของนักแสดงชาวฮ่องกงคนหนึ่งอัตมาไม่เคยดูผลงานเขาหรอกแต่ว่าว่ากันว่าเป็นนักแสดงที่หีชื่อนะนะโจชิงฉือนะโจชิงฉือเนี่ยตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยพ่อแม่ก็ยากันเขากับ พี่สาวน้องสาวสามคนก็อยู่กับแม่ตอนนั้นเขายุประมาณเจ็ดขวบนะก็ลำบากมากเพราะว่าแม่ก็ต้องหาเลี้ยงลูกสามคนสิ่งที่แม่ให้ความสำคัญเนี่ยนอกจากการเรียนแล้วนะก็คืออาหารการกินแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ อาหารก็เป็นประเภทนะ่ะผักอาหนะนานๆก็จะมีเนื้อมีปลามาให้ลูกเพราะลูกกลาลังโตเวลามีอาหารประเภทที่มีเนื้อมีปลานี่โจชิงชื้อก็จะตักของที่ชอบนะกินพวกเนื้อกินปลาแล้วก็สองสองคำก็ออกไปเล่น บ่อยครั้งเนี่ยมีเนื้อมีปลานเนี่ยเขาก็จะเคี้ยวไม่กี่คําเคี่ยวแล้วก็คลายบนจานอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่ดีของเขาที่ทําเป็นประจำนะนะเคี่ยวพวกเนื้อหมูปลาเคี่ยวแล้วไม่กินอนะคายลงบนจานก็เป็นหน้าที่ของแม่นะเจอต้องเอาอาหารพวกนี้เนี่ยมากินแทน เพราะว่ายากจนแล้วก็เสียดายก็เป็นนิสัยที่ไม่ดีนะแต่แม่นี่ก็เห็นว่าโจยิงเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็นิสัยดียกเว้นเรื่องนี้แหละก็ถือว่าปล่อยๆไปอย่างน้อยก็เป็นเด็กเรียนดีจะมีช่วงหนึ่งต้ทาที่แม่นี่ก็ ไม่มีงานทํานะมาสองเดือนแล้วแต่ก็ยังอุตส่าห์ไปยืมเงินคนมาซื้อซื้อน่องไก่มาให้ลูกๆโจยเฉยเห็นน่องไก่ก็รีบคว้าเลยคว้าแล้วก็กินสองสามคำแล้วจู่ๆไอ้น้องไก่ก็หลุดมือตกพื้นนะเปื่อนแม่นี่โกรธมากเลยนะ ห้ามใจไม่อยู่แม่ก็ตีตีโจยิงฉือยังแรงเลยเพราะว่าอุตสาหซื้อของดีมาให้ลูกนะโจยิงฉือก็ร้องไห้ตอนกลางคืนแม่ก็ต้องไปปลอบโจยิงฉือในการผ่านไปสิกว่าปีนะโจยิงฉือ ก, ก, ก็กลายเป็นดารามีคราวนึ้งก็รายการโทรทัศน์ก็เชิญโจยิงฉือกับแม่เนี่ยเหมารายการ แม่ก็พูดถึงโจยิงเฉยเป็นเด็กดีนะดีไซดดีทุกอย่างยกเว้นไม่ค่อยเห็นคุณค่าของอาหารกินแล้วก็ไม่กี่คำก็คลายนะบางทีก็เคี้ยวน่องไก่อยู่ดีน้องไก่อยู่ดีก็ทิ้งตกลงพื้นโจยิงเฉยได้ยินก็เลยสารภาพว่า จริงๆเนี่ยผมให้คุณค่านะของอาหารเนี่ยแต่ถ้ า, าถ้าวันนั้นผมไม่ทิ้งน้องไก่นะแม่คงไม่กินหรอกนะตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยแม่ก็ชอบซื้อของดีๆมาให้พวกลูกๆกินและแม่ก็กินแต่พวกข้าวกผัก๋องถ้าผมไม่ทำอย่างนั้นนะไม่เคี้ยวสองสาคำแล้วคายนี่แม่คงไม่กิน ผงไม่ได้กินหรอกนะพวกเนื้อพวกปลาอวเนี่ยนะวันนั้นผมทําน้องไก่ตกเนี่ยตั้งปุบตั้งใจเลยนะเพราะรู้ว่ายัางไงแม่ต้องกินแน่นะด้วยความเสียดายพอจริงเฉลิ้มพวกี้แม่ก็ร้องไห้เลยนะพ่อไม่เคยคิดเลยว่าลูกเนี่ยจะจะมีความคิดแบบนั้นคือมีความคิดที่ห่วงแม่แล้วก็หาอุบายเพื่อจะให้แม่ได้กินของ ที่มันมีคุณค่าก็อันนั้นก็เป็นเป็นการเปิดเผยครั้งแรกนะของโจชิงชือมาผ่านไปสิปีเนี่ยถึงเปิดเผยว่าที่มินิสายไม่ดีนนเนี่ยก็เพื่อให้แม่ได้กินเนื้อกินปลาบ้างนะกินไก่บ้างแม่ก็เพิ่งรู้นะว่าไอ้ลูกของตัวเองเนี่ยที่มินิสัยไม่ดีเนี่ยนะในเรื่องการกินอาหารที่จริงนี่เขามีจิต งดงามนะเขารักแม่เขาห่วงแม่เขาก็เลยแกล้งทำอย่างนั้นนะความจริงก็เพิ่งเปิดเผยหลังจากที่ ค, ครอบครัวนี้ก็เรียกว่าลืมตาอ้าปากได้ในสิ่งที่ความจริงกับสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ตรงกันนะอันนี้เป็นประเด็นที่พูดไปเมื่อวานแล้ว สิ่งที่เราเห็นกับความเป็นจริงบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวกันอย่างโจชิงชื้นในสายตาของแม่เป็นเด็กที่ดีทุกอย่างยกเว้นนิสัยเสียเรื่องการกินแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะเขาเป็นคนมีความกระตันอยู่มากนะแล้วเขาทำงานเพื่อแม่ไกลเขาเขาถูกมองว่าเป็นเด็กไม่ดีแต่เด็กเกเร ใ, ในสายตาของพี่และน้องและของแม่ ยอมทนมาสิบปีนะนะเพื่อที่จะหลอกให้แม่ได้กินกินของดีๆบ้างนะไม่ใช่ให้แต่ลูกกินอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาตมาอ่านแล้วฟังแล้วก็ประทับใจนะแล้วมันก็สอนอะไรได้มากทีเดียวนะว่าสิ่งที่เราลายเห็นกับความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ตรงกันนะ คนที่เราคิดว่านิสัยไม่ดีบางทีในจิตใจส่วนลึกเขาเพราะมีความดีเพามีเจตนาดีแต่เขาแกล้งทำหรือเขาจะทำเพเื่อผลใดก็แล้วแต่แต่บางครั้งเราก็มักจะตัดสินไปแล้วว่าเขาไม่ดีหรือว่ามีพฤติกรรมน่ารำคาญอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะของผู้คนมากนะไม่ว่าในครอบครัวไม่ว่าไม่ว่าแม่กับลูก หรือแม้แต่สามีภรรยาหรือเพื่อรุงงานมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะสมมุติว่าภรรยาชื่อกัญญาแล้วกันนะสามีชื่อเดชก็อยู่ด้วยกันมาส0ปีแต่สองสามปีหลังนี่ก็ตัวกัญญานี่ก็มีปากเสียงกับเดชอยู่เป็นประจำเรื่องของเรื่องคือว่า เวลากัญยาเนี่ยไปทํางานเนี่ยพอตกเย็นเนี่ยสามีก็จะโทรมาแล้วว่าวันนี้จะกลับบ้านกี่โมงนะถ้ากันยาไม่ได้อยู่ที่ทํางานเขาก็จะถามว่าตอนนี้อยู่ไหนหรือบางทีค่ำๆก็โทรมาว่าตอนนี้อยู่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่กัน ญ, ญาเนี่ยําคาญมากเพอรู้สึกว่า สามีเนี่ยไม่ค่อยไว้วางใจตัวเองเท่าไหร่ชอบโทรมาเช็คนะว่าตอนนี้อยู่ไห น, นเวลากัญญาได้เห็นเบอร์โทรศัพท์ของสามีนี่แกก็จะแค่เห็นเบอร์แกก็ลำคาแล้วหงุดหงิดแล้วเอาอีกแล้วบางทีก็พอรับสายก็ต้อคอกใส่แต่ว่าเดทนี่เขาก็ไม่เถียงด้วยนะเขาก็พยายามพูดดี แล้วเขาก็บอกว่าก็ขอร้องว่าเวลาไปทำงานนี่ยังไงก็ขอให้กลับมากินข้าวบ้านนะจะกลับข้ามแค่ไหนเขาก็จะทำอาหารรอก็ข อ, ขอแค่นี้แหละซึ่งก็ทำให้กัญญาเนี่ยุดหงิดมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอยากจะกินข้าวเย็ยนกับเพื่อนอยากจะไปสังสรรค์กับเพื่อนนะนะก็ต้องงดนะต้องกลับมากินข้าวบ้าน บางทีกลับดึกหน้าสามีก็ยังรอเขาก็ลําคาทำไมไม่กินก่อนนะวันหนึ่งเขาก็กัญยานี่็ก็ไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังด้วยทำนองบนนั้นนะเพื่อนก็เลยถามว่าแล้วเธอรู้ไหมเคยถามเขาหรือเปล่าว่าทำไมเขาชอบโทรถามโทรมาถึงเธออยู่ทุกเย็นบอ ว, ว่าคำถามนี้ทำให้กันญานี่อึ้งนะเพราะว่าเขาไม่เคยถามเดดเลย ว่าทำไมถึงชอบโทรมาทุกวันนะทำไมชอบโทรมาว่าเอจะกลับบ้านกี่โมงตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยเพื่อนก็เลยบอกว่าทีหลังเนี่ยน่าจะถามเขาซะ ก, ก่อนนะเวลาถามเนี่ยก็ฟังคําตอบเขาอย่างมีสติหน่อยฟังด้วยใจที่เปิดกว้างได้ยินแล้วก็อย่าพึ่งเถียงอย่าพึ่งโต้แยง้งอย่าพึ่งหมุดหงิดนะให้ฟังด้วยด้วยใจเข้าใจความรู้สึกความต้องการของเขา ก็ก็เป็นประเด็นที่ทำให้กันยานี่ฉุกคิด ข, ขึ้นมาแล้วเย็นนั้นเนี่ยนะก็เหมือนเคยนะก็ได้โทรศัพท์จากเดชความรู้สึกแรกปฏิกิริยาแรกคือลาคาญอายละแต่ว่าก็ตั้งสติได้นะเพื่อนเตือนเอาไว้ตั้งสติแล้วก็พูดคุยกับเดชดีๆบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้จะกลับบ้านสองทุ่มเสร็จแล้วพอ กัญญาไปถึงกลับไปถึงบ้านนะก็ะขอขอคุยกับเดชให้เดชนี่ทีแรกก็งงๆนะวันนี้มามามาดใหม่นะพัตกรพอเห็นหน้ากันก็ทำท่ากับพระกาแฟแล้วแต่วันนี้กัญญาบอกขอคุยด้วยแล้วก็เลยถามเลยว่าเนี่ยอยากจะรู้จริงๆนะว่าทำไมเนี่ยเดชถึงชอบโทรมาทุกเย็นเลย อันนี้เป็นคําถามที่เขาไม่เคยถามเด่นมาก่อนเด่นเขาก็เลยอธิบายว่ า, าเป็นห่วงนะเพราะว่าบ้านเนี่ยมอยู่ในซอยซอยเปลี่ยวนะถ้ารู้ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ปากซอยหรือเปล่าเขาก็จะได้เตรียมไปรับนะหรือว่ากะเวลาได้ถูกว่าจะมาถึงบ้านกี่โมงอีกอยาง น, นึงคือว่าตัวเขาเองเนี่ย ทุกเชา้าตื่นเช้าเขก็ไปทำสวนก็ทาสวนไม่ค่อยได้เจอภรรยานะกว่าจะเจอก็ค่ำก็คิดว่าเนี่ยยังไงถ้าได้เจอกันตอนค่ำก็คงจะดีนะเพราะตอนเช้าไม่ค่อยได้เจอค่ำแค่ไหนก็จะรอนะจะได้พูดคุยกันได้มีเราอยู่ด้วยกันบ้างคำตอบนี้ก็ทำให้กัญญานี่อึงนะ พอเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าอ๋อที่เดททำอย่างเงี้ยเพราะว่าห่วงใหญ่แล้วก็อยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมันทำให้ความรู้สึกของเธอเนี่ยเปลี่ยนไปเลยแต่ก่อนเนี่ยหลงคิดว่าสา ม, มีเนี่ยนะระแวงจู้จี้จุกจิกนะแต่ที่จริงเขามีเหตุผลนะเขาห่วงแล้วเขาก็อยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันก็เลยถึงกับก็เลยเรียกร้อง หรือขอร้องภรรยาว่าอย่างไรกลับบ้านก็มากินข้าวเย็นกันจะดึกแค่ไหนเพราจะรออันนี้เป็นคำตอบที่กัญญาไม่เคยได้ยินที่ไม่เคยได้ยินเพราะไม่เคยถามและพอไม่ถามนี่ก็เลยสรุปไปแล้วว่าอสามีเป็นคนที่จู้จี้นะแต่ความจริงมันตรงข้ามกับที่เขาเข้าใจอันนี้ก็เป็น มันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็ดีขึ้นนะแล้วก็ตอนหลังก็เลยมีข้อตกลงว่านะถ้าหากว่าวันไหนภรรยาจะกลับบ้านผิดเวลาก็จะโทรมาบอกล่วงหน้าไม่ต้องรองให้สามีโทรไปถามนะแต่จะโทรไปบอกเองไอ้ความขัดแย้งที่มันเคยมีมาสองสามปีมันก็เคยคลี่คลายอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างไงว่าคนเราเนี่ย บางครั้งเนี่ยมีความรู้สึกไม่ดีต่อกันก็เพราะว่าการที่เราสรุปนะว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เป็นการสรุปโดยที่ไม่เคยได้ถามนะเพียงแค่ถามเนี่ยนะมันก็จะพบความจริงก็คงคล้ายๆกับแม่นะแม่ของโจยิงฉือนี่บางทีถ้าถามสักหน่อยนะว่าให้โจยิงฉือเนี่ยมีนิสัยแย่ๆในการกินอาหารเนี่ยเพราะอะไรเนี่ย บางทีอาจจะพบคําตอบก็ได้นะไม่ต้องรอเข้าใจผิดนะเป็นเวลาสิบกบนะว่าปีมาพอความจริงนะกลางสถานีโทรทัศน์นะต่อหน้าผู้คนคือมันก็เป็นดราม่าดีนะแต่ว่าในความเข้าใจผิดทิ่ติดค้างมาสิบกว่าปีเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เป็นความรู้สึกที่ดีเท่าไหร่แต่งน้อยเนี่ยก็ยังมีความเข้าใจที่ดีต่อกันในที่สุดเพราะว่าความจริงมันเปิดเผยออกมาบ่อยครั้งเนี่ยคนเราเนี่ย มีความทุกข์ในความสัมพันธ์ก็เพราะว่าการที่เราด่วนสรุปนะเราเห็นพฤติกรรมบางอย่างเข้าเราก็สรุปทันทีนะแต่ว่าสิ่งที่เราสรุปนะอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงก็ได้ในเรื่องนี้ผู้เจ้าก็ตัดเอาไว้นะในหลักกะลามาสูตรหลักกล า, ามาสูตรนี่ผู้เจ้าตัดมาสองหมาร้อยปีแล้วแต่ทุกวันนี้ยังใช้ได้ดีและยิ่งจาเป็นด้วยนะเพราะาเดี๋ยวนี้ ความเข้าใจผิดมันเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าเราด่วนสรุปแล้วไม่ค่อยมีเวลาพูดคุยสักถามหรือนี้เราฟังกันน้อยเราไม่ค่อยมีเวลาถามกันไม่ค่อยมีเวลาคุยกันทั้นเจออะไรก็สรุปเลยอย่างที่พระเจ้าตรัสเนี่ยในกลาโหมสตรว่าเนี่ยอย่าเชื่อเพียงเพราะได้ยินเสียงเล่าลืออย่าเชื่อเพียงเพราะว่าทําสืบสืบตามกันมานะอย่าเชื่อเพียงเพราะว่ามันเข้าได้ความเห็นของตัว อย่าเชื่อเพียงเพราะว่าเหตุผลหรือตักกะมันเป็นอย่างนั้นคือสรุปด้วยตักกะแล้วมันก็คิดว่าน่ายเป็นอย่างนั้นและอย่าเชื่อเพียงเพราะรูปลักษณะอาการน่าเชื่อถืออย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยคนที่ทำสร้อยทองหายในรีสอร์ทเนี่ยนะเขาคิดว่าพนักงานทําความศาสตร์ออกไปเพราะว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเนื่องจาก มันหายหลังจากที่พนัก ง, งานทำความสะอาดเนี่ยเข้าไปทำความสะอาดในห้องหาไม่เจอจริงจมันหายก่อนนั้นแล้วนะเพราะว่ามันหายตั้งแต่กลางคืนละมันไม่ได้หายหรอกมันตกอยู่ข้างเตียงในซอกเนี่ยแต่ว่าดูอนุมาแล้วเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยต้องเป็นพนัก ง, งานทาความสะอาดนี่เอาไปอันนี้เราเป็นการสรุปด้วยตักกะด้วยการอนุมานหรือ สรุปพระลักษณะอาการน่าเชื่อถือยิ่งเห็นเขามีพิรุษนะเห็นเขามีพิรุธพูดก็มีพิรุธเดินก็มีพิรุธนะอันนี้ใช่แน่เลยอันนี้เราเชื่อเพราะรูปลักษณะหน่าเชื่อถือนะแต่ที่จริงมันเกิดจากอคตินะพอคนเรามียอคติแล้วเนี่ยเห็นได้ยินมันก็สอดคล้องกับอคติของตัวเอานาพวกเราเนี่ยนะอย่าเพิ่ง เวลามีความคิดอะไรโดยเฉพาะในทางลบกับผู้อื่นเนี่ยมันต้องเดี๋ยวเพิ่งด่วนสรุปนะต้องรู้จักทักท้วงบางทีทักท้วงไม่พอต้องสอบถามด้วยนะและสมัยนี้เนี่ยมันมีข่าวลือเยอะนะแล้วคนเราก็เชื่อข่าวลือง่ายที่จริงมันเป็นมานานแล้วเมื่อสั200กสองรกว่าปีก่อนในที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย ก็มีเรื่องราวนะีเกี่ยวกับพระองค์หนึ่งนะ น, นี้เคยเล่าให้ฟังแล้วเป็นพระที่ทุกวันนี้ก็เป็นที่ครพนักถือของชาวญี่ปุ่นมากชื่อชันฮาโกอินนะชันฮาโกอินเป็นพระเซนวันหนึ่งเนี่ยลูกสาวชาวบ้านนะที่อยู่ใกล้วัดเรียกว่าข้างวัดเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาพ่อแม่ของหญิงสาวก็ถามว่าท้องกับใคร เธอก็ไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยบวาท้องกับท่านอากุอินนะพ่อแม่ก็ตรงไปที่วัดทันทีเลยแล้วก็ไปดา่ดาๆว่าเป็นผ้าอะไรเลวมากนะไปไปทำอา่าไปไปมีท้องนะกับชาวบ้านอุตส่าห์เลี้ยงดูประถมนะกับทำตัวเลวร้วาแบบนี้ก็ด่าอย่าเนยนะท่านอากุอินก็ พูดเพียงว่าอ๋อย่างนั้นเหรอไม่มีอาการโกรธอะไรเลยต่อมานะหญิงสาวคนนั้นก็คลอดลูกพ่อแม่ของหญิงสาวก็เอาทารกนี่ไปให้ท่านนาคุอินเลี้ยงวางแมะไวท้ที่อ่าต่อนหน้าท่านระบอนเนี่ยอ่าลูกของเจ้านะเรียกว่าเจ้าเนี่ยลองเอาไปเลี้ยงนะท่านนากุอินก็ไม่ปฏิเสธ ก็เลี้ยงดูทารกนั้นเท่าที่จะมีกำลังนะ ต, ต้องไปหาผ้าอ้อมมาต้องไปหาความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กต้องไปหานมมาให้เด็กก็ยังดีที่มีชาวบ้านบางคนเขาเชื่อว่าท่านบริสุทธิ์แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่นะในหมู่บ้านเนี่ยก็เชื่อเลยนะว่าท่านอคินเนี่ยเป็นพ่อของเด็กนะก็ไม่ใส่บาตร บนดาดินทาว่าร้ายบางทีท่านเดินผ่านบ้านชาวบ้านชาวบ้านเจ้าของบ้านก็ด่าท่านท่านก็นิ่งแต่ก็มีชาวบ้านบางคนที่ยังเข้าใจหรือเชื่อในความเปินสูงท่านก็พยายามหาหาโน่นหานี้มาเพื่อช่วยเลี้ยงเด็กเลี้ยงอยู่ประมาณสองสามเดือนได้แม่ของเด็กอดทนทนไม่ได้นะสงสารเด็กด้วยสงสารท่านท่านฮากุอินด้วย ก็เลยบอกความจริงว่าที่จริงพ่อของเด็กก็คื อ, อไอ้หนุ่มร้านขายปลาลูกจ้างร้านขายปลาที่อยู่ใกล้ๆกันพอพ่อแม่งเด็กพ่อแม่ของหญิงสาวรู้ว่าตกใจเพราะว่าไปด่าท่านหากุอินนี่อย่างรุนแรงมากนะแล้วก็ไปผักภาระแปลภาพาระให้ท่านเลี้ยงทารก ก็รีบตรงไปหาท่านนกุนินแล้วขอโทษขอโพยแล้วก็พูดชมว่าท่านนกุอินี่เป็นภ้าที่ประเสริฐมากเป็นผู้ที่เสียสละนะเป็นผู้ที่ไม่ว่าจะถูกดินทาว่าร้ายก็ไม่โกรธนะก็ยังมั่นคงอยู่ในธรรมะโ้สาระเสริญใหญ่เลยนะท่านนกุินก็เพียงแต่ตอบว่าอย่างนั้นหรือ คือท่านคงเส้นคงวามากนะถูกด่าก็นิ่งสารเสริญชื่นชมท่านก็นิ่งแล้วท่านก็คืนเด็กไปนะให้กับแม่และพ่อของทารกนั้นแลเรื่องนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่บ่งชี้ถึงคุณสมบัติของท่านฮากุอินนะว่าเป็นพ้าที่ประเสริฐนะมีลักษณะที่เรียกว่าไม่ยินดียินร้ายใน ในสารเสริญแล้วก็คำนินทาแต่ในอกด้านนี้มันก็สะท้อนนะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันไม่น่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดขนาดนี้ได้ถ้าหากว่าเพียงแต่แม่ของเด็กเนี่ยอแม่ของหญิงสาวเนี่ยแทนที่จะโกรธแล้วไปด่าว่าท่านเพราะว่าได้ฟังข่าวะจากลูกสาวว่าเนี่ยว่าท้องกับท่านอากุอินท า, ากว่าจะ เฉลียวใจสักหน่อยแล้วก็ไปถามว่าจริงไหมนะไปถามว่าจริงหรือเปล่านะว่าท่านเนี่ยเป็นไปไปมีเพศสัมพันธ์นะกับลูกสาวไปหลับนอนกับลูกสาวแต่ว่าไม่มีคำถามนี้นะจากพ่อแม่ของหญิงสาวเลยนะคือเชื่อทันทีแล้วก็ไปดา่ดาดา่ดาด่าด่าท่านก็ท่านอากุยิงก็เพียงแต่ พูดเพียงแค่ว่าอย่างนั้นหรือพอท่านท่านรู้ว่าอธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเขาไม่ฟังนะและเขาไม่เปิดโอกาสอธิบายเพรวะเขาไม่ถามเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าจะสอนใจนะเออที่จริงเนี่ยต้องลองถามสักหน่อยนะพ่อแม่ของหญิงสาวถามสักว่าจริงหรือเปล่าว่าท่านเนี่ยนะไปทำลูกสาวทองถ้ากเคงจะไม่ปฏิเสธนะก็คงจะพูดความจริงว่าเปล่าเลยไม่ใช่ แต่ว่ามันไม่มีคำถามอย่างเงี้ยนะจากจากหญิงจากแม่และพ่อของหญิงสาวมันก็เลยทำให้เกิดบาปกรรมขึ้นมาก็ปล่อยก็เลยไอ้ข่าวที่พูดไปมันก็เลยกลายเป็นข่าวลือแล้วก็แพรย์สพัดทำให้ท่านเสียหายนะชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็ดา่าท่านนะด้วยความเข้าใจผิด อันนี้ก็คล้ายๆกับเรื่องที่เคยเล่านะเรื่องที่ผู้เจ้าถูกถูกลือใส่ร้ายว่าไปทําให้ผู้หญิงคนหนึ่งนะชื่อนางสุนทรีเนี่ยตายไปมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็รอบฆ่าไปพบศพนางเนี่ยใกล้ๆกับกุฏิใกล้ๆกับวิหารนะที่เชตวันชาวบ้านก็ลือกันชาวบ้านสาววัถีนี่ก็ เชื่อทันทีนะเชื่อข่าวลือเลยนะว่าผู้เจ้าเนี่ยฆ่าผู้หญิงไม่มีใครสักคนไปถามผู้เจ้านะว่าจริงหรือเปล่านะไม่มีใครสักคนเลยก็เชื่อทันทีนะขณะที่ผู้เจ้านี่ยอยู่สาวัตถ์อยู่เชตวันมาเป็น 10, สิบพันษะาทําคุณงามความดีมาเยอะแต่เพียงแค่ได้ยินข่าวลือพอพบศพนะแลวถูกใส่ร้ายคนก็เชื่อ ถ้ามีสักคนนี่ลองไปถามว่าจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงไมเนี่ยนมันก็คงจะไม่เกิดการสร้างบาปสร้างกรรมกับผู้เจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของอในเรื่องของการดำเนินชีตนะในความสัมพันธ์กับผู้อื่นเนี่ ย, ยที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าเรานี่อะจะต้องรู้จักทักท้วงความคิดอย่าด่วนสรุปนะต้องมีสติ ทักท้วงความคิดแล้ววิธีหนึ่งก็คือการซักถามนะซักถามผู้ที่เกี่ยวข้องบางทีเพียงแค่ซักถามก็ได้คำตอบแล้วนะแต่เพราะว่าไปเชื่อสรุปล่วงหน้าแล้วอย่างกันยานี้ก็สรุปล่วงหน้าแล้วเนี่ยว่าสามีนี่ระแวงนะอาจจะเรียกว่างี่เง่าจู้จีง้งี่เง่าก็ได้นะหารู้ไหมความจริงนี่มันไม่ใช่เลย สามีห่วงใหญ่แล้วก็อยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากๆนะทุกวันทุกวันว่เราเข้าใจผิดนะแล้วก็วิจารณหรือตัดสินเนี่ยในทางลบเนี่ยอันนี้มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวความสัมพันธ์ในที่ทํางานความสัมพันธ์นะในวงกว้างมนเนี่ยมันแย่ลงนะก็เรียกว่าเป็นการ อาจจะเป็นการสร้างบากสร้างการรมโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักจับยังช่างใจบ้างตรงเนี้ยสติสำคัญมากเลยกันยาเนี่ยมีสตินะเพราะเพื่อนเตือนเอาไว้เวลารับโทรศัพท์ก็ให้มีสติฟังเขาหน่อยพลุกเขาดีๆและเมื่อจะถามเขาก็ตั้งใจฟั ง, งฟังดี๋ยวมีสติสตินี่มันทาหน้าที่สองอย่างนะก็คือว่าเป็นตัวเบรก แล้วก็ตัวเร่ง น, นะเป็นทั้งเป็นทั้งเบรกและคันเร่งเวลาเราขี่เกียรนะสติมันจะตัวกระตุ้นให้เราขยันแต่เวลาเราวูบวาร้อนรนนะสติมันจะคอยเตือนให้เราช้าช้านะอย่าเร่งรีบอย่าวูบวามนะรวมทั้งถ้าด่วนสรุปมันก็จะเตือนว่าอย่าพึ่งนะฟังเข้าก่อน หรือว่าหาข้อมูลความจริงก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรารู้จักใช้สติให้มันมีประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์มากมายนะทั้ทงในทางโลกและทางธรรมคำนี้ก็พูดกันเท่า น, นี้เอากลับคระ